มหาเศรษฐีชาวอเมริกันคนหนึ่งนะวอร์เรนบัฟเฟตต์อันนี้รวยมหาศาลเลยนะเป็นอันดับต้นๆของโลกเขาเคยพูดให้ข้อคิดง่ายๆนะคนเนี่ยมีเงินสามพันบาทถ้าซื้อกราาอะเป๋าสตางเนี่ยราคาดีอ่กระเป๋าสตางคุณภาพดี บแบรน ด, ดังเนี่ยสมมุติว่าสามพันเนี่ยก็จะไม่เหลือสักบาทเลยนะในกระเป๋าในทางตรงข้ามนะซื้อกระเป๋าที่พอใช้การได้ทนหนึ่งรอบาทแต่มีเงิน2 9 0พันกอบาทเหลือเก็บไว้ในกระเป๋า อะไรจะดีกวกานนะซื้อกระเป๋าราคาแพงสามพันแล้วก็ไม่เหลือสักบาทเลยในกระเป๋าแต่ซื้อกระเป๋าราคาถูกๆร้อยบาทมีเงินสองพันเก้าร้อยใสไว้ในกระเป๋าสตางค์คิดแบบนี้ก็คงจะเห็นนะว่าอย่างหลังมันดีกว่านะเพราะว่ามีเงินเหลือ เอาไว้ใช้ทาประโยชน์หรือว่าใช้ทาสิ่งที่มีคุณค่าได้นะสองพในกระเป๋าราคาหนึ่งรดีกว่ามีกระเป๋าราคาแพงส0 0พันแต่ไม่มีเงินซักบาทอยู่ข้างในเลยคนเราบางทีก็ไม่สามารถจะคิดได้นะว่าอะไรคือสิ่งสำคัญนะ ระหว่างกระเป๋าราคาแพงแต่ไม่มีเงินสักบาทในกระเป๋ากับกระเป๋าราคาถูกแต่มีเงินนะนับพันเนี่ยอยู่ในกระเป๋ามีคนสามคนนะคนหนึ่งเนี่ยขับรถเบนซ์ราคา5ล้านนะแต่ว่าติดหนี้ธนาคารเพราะกู้เงินไป15ล้าน ขับรถเคนขับรถเบนนี่มันก็สบายนะแต่ว่ากลับถึงบ้านแล้วก็เอามือกลุ้มขมับนะเครียดนอนไม่หลับเพราะว่าเป็นนิธนาคารส5บห้าล้านอีกคนหนึ่งนะขับรถโตโยต้าราคาแปแสนแต่ว่ากู้เงินผ่อนธนาคารเพื่อซื้อบ้านราคาสามล้าน ก็กลุ้มใจนะจะหาเงินมาใช้นี่อย่างไรนะสามล้านเนี่ยส่วนคนที่สามเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะราคาหกเจ็ดหมื่นแต่ว่ามีเงินอยู่ธนาคารเนี่ยเจ็ดแปดแสนถึงแม้ว่าขับมอเตอร์ไซค์นี่มันจะไม่สะดวกสบายนะแต่ว่าไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความกุ้มใจ เพราะว่าไม่มีหนี้สินไม่ต้องคิดว่าเนี่ยจะหาเงินที่ไหนมาใช้ธนาคารแต่ว่าดูผิวเผินนะคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็หลายคนก็อิจฉาคนขี่รถโตโยตา้าส่วนคนที่ขับรถโตโยตา้าก็อิจฉาคนที่ขับรถเบนซ์แต่ถ้าคนที่ขับรถเบนซ์เนี่ย รู้ว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่มอตเตอร์ไซค์นี่เขาไม่มีหนี้สินแถมมีเงินธนาคารยต้องเจ็ดแสนนี่เขาคงอิจฉานะอิจฉาคนขี่มอตเตอร์ไซค์นะอันนี้นะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั่วไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ก็อิจฉาคนขับโตโยต้าคนขับโตโยต้าก็อิจฉาคนขับเบน แต่ไม่ได้รู้เลยนะว่าคนขับเบนนี่เครียดแค่ไหนคนขับโตโยต้าเนี่ยกลุ้มใจแค่ไหนนี่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าคนมักจะมองแต่ภายนอกแต่ว่าสิ่งที่ใช้สิ่งที่แสดงออกจากภายนอกนะข่าวของเครื่องใช้รถยนต์เนี่ยมันก็ไม่สําคัญนะเท่ากับว่า มีเงินในธนาคารแค่ไหนหรือมีเงินในกระเป๋าแค่ไหนมีรถราคาแพงนะแต่ว่าเป็นนี่เป็นสินธนาคารเนี่ยมันจะดีเท่ากับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่ว่ามีเงินเก็บในธนาคารนี่หลายแสนได้อย่างไรนะแต่ถ้าจะมาไปแล้วเนี่ยมีเงินเก็บในธนาคารมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามีความสุขอยู่ในใจมากแค่ไหนังหลายคนได้มีเงินเก็บในธนาคารเยอะนะแต่ว่าขาดสิ่งที่ทางพระเรียกว่าอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์นี่คือทรัพย์ภายในมันก็ดีแล้วนะที่หากว่ามีเงินเก็บในธนาคารเนี่ยแทนที่จะ เป็นหนี้ธนาคารแต่ว่ามันจะดีกว่านะถ้าว่ามีอริยทรัพย์นะหรือว่าทรัพย์อันประเสริฐอยู่ข้างในถึงแม้ว่ามีเงินในกระเป๋าน้อยมีเงินฝากในธนาคารน้อยแต่ว่ามีอริยทรัพย์มากอันนี้ดีกว่านะดีกว่าคนที่มีเงินฝากในธนาคารมากแต่ว่ามีอริยทรัพย์น้อยนะ หรือบางทีติดลบด้วยเรียสับเนี่ยนะมันคืออะไรนะก็คือธรรมะธรรมะซึ่งนําความสุขมาให้กับจิตใจเริยสัพย์ที่สําคัญนะก็คือสันโดษนะสันโดษสันโดษคือความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้ไม่เหมือนกับสันโดษภาษาไทยสันโดษภาษาไทยนี่คือคนชอบอยู่คนเดียวนะคนนี้เขารักสันโดษนะ ในภาษาไทยแปลว่าคนนี้เขาชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าสันโดลในภาษาบาลีมันแปลว่าแปลง่ายๆนะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ั้นถ้ามีสันโดลเนี่ยมันก็มีความสุขไดง่ายเพราะว่าพอใจในสิ่งที่มีไม่ถูกความโลภบีบคั้นใจบาคนจนํานวนมากเนี่ยมีเยอะแต่ก็ยังไม่พอใจสิ่งที่มี อยากได้อีกอยากได้อีกไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนพอไม่มีเงินก็ไปกู้ธนาคารมาซื้อรถเบนซ์หรือสร้างบ้านหรือซื้อบ้านราคาแพงๆเสร็จแล้วก็มากุ้มใจนะว่าจะหาเงินนะใช้นี่ได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าพราขาดสันโดษหรือว่าอาจจะมีเงินฝากในธนาคารเยอะ แต่ก็ไม่พอใจเพราะอยากได้อีกนะมีล้านก็ไม่พอใจอยากได้สิบล้านมีสิบล้านก็ยังไม่พอใจอยากได้ร้อยล้านมีร้อยล้านก็ยังไม่พอใจอยากได้พันล้านก็เลยรู้สึกพร่องรู้สึกจนตลอดเวลาแต่ถ้าสันโดษนนะมีนะมันจะเกิดความพอใจและเกิดความรู้สึกรวยนะรวยภายในผู้เจ้าตาว่าสันโดษคือทรัพย์อย่างยิ่งนะ นะถ้ามีสันโดษนี่มันก็เหมือนว่ารวยนะเพราะพอใจกับสิ่งที่มีแล้วแม้ว่าเงินในธนาคารหรือเงินในกระเป๋าจะน้อยและยิ่งถ้าเกิดว่ามีความสุขภายในหรือสุขใจที่เกิดจากสมาธิภาวนาเกิดจากปัญญาเกิดจากศรัทธานะที่ดีงามเนี่ยผมก็ยิ่งมีระยกว่าความร่ํารวยนะภายใน เรว่ารวยสุขรวยความดีคนเรานี่ถ้ามีความสุขภายในนะมันก็ไม่หยหาความสุขจากภายนอกนะไม่หยหาสินค้าราคาแพงที่ว่าสินค้าแบรนด์เนมเพื่อจะซื้อมาประดับตัวเมื่อ จ, จะเป็นกระเป๋ารองเท้านะกางเกงหรือว่าเครื่องประดับให้นะอของพวกนี้จะไม่มีความหมายเลย เพราะว่าความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเทียบไม่ได้ความสุขภายในเป็นเพราะคนเราเนี่ยไม่มีความสุขภายในนะมันจึงไปแสวงหาความสุขจากภายนอกความสุขจากการเสพความสุขจากนะการได้การมีการครอบครองซึ่งก็ไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงเพราะตามมาด้วยความเครียดความวิตกกังวล กลัวว่ามันจะเสื่อมกลั ว, วมันจะเสียกลั ว, วมันจะหายไปกลัวคนจะขโมยไปหรือบางทีก็ต้องไปกู้นี้ยืมสินมาเพื่อที่จะได้มีสิ่งนั้นบางคนเป็นหนี้เยอะแยะเลยนะเพื่อได้มีความสุขจากสิ่งเสพอาหารอร่อยรถราคาแพงบ้านหลังใหญ่แต่ว่าเครียดเพราะว่าเป็นหนี้นะ่อันนี้คนเรานี่ก็ต้องรู้จักรับจัดระดับความสาคัญให้ดีนะ ระหว่างกระเป๋าราคาแพงกับเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยอะไรสําคัญกว่ากันนะกระเป๋าราคาถูกแต่มีเงินในกระเป๋าเยอะอันนี้ดีกว่ากระเป๋าราคาแพงแต่ไม่มีเงินในกระเป๋าเลยแต่มีเงินในกระเป๋าหรือมีเงินในธนาคารนี่ก็ก็ไม่สําคัญเท่ากับว่ามีทรัพย์ภายในมีเงินในกระเป๋าน้อยมีเงินฝากในธนาคารไม่มากแต่ว่ามีทรัพย์ภายในคืออุปยทรัพย์ นะศรัทธาศีลจากกะปัญญาสันโดษนะสมาธิสติความรู้สึกตัวพวกนี้ล้วนแต่เป็นอริยทรัพย์ที่มีแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความสุขและทำให้ชีวิตมีคุณค่ามันทำให้การกระทาและคำพูดเนี่ยเป็นไปนในทางที่งดงามเกื้อกูลประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนั้นจัดระดับความสำคัญให้ดีนะในบรรดาทรัพย์นะ ทรัพย์ภายนอกนะที่เป็นข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับกับทรัพย์ภายในกระเป๋านะที่เป็นเงินเงินฝานจัตาคาแล้วก็ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์คือความสุขความดีงามถ้าคนเราจัดระดับความสำคัญได้ถูกนะชีวิตมันก็ไปถูกที่ถูกทางนะมีความผาสุขมีความเจริญงอกงามได้